มีงานวิจัยด้วยนะคนอื่นทำนะหลวงพ่อไม่ได้วิจัยหรอกนะเมื่อก่อนก็ทำวิจัยแต่ว่าเดือนี้เลิกแล้วไม่อยากสนใจมันมีงานวิจัยที่สำคัญกว่านั้นอีกคือวิจัยธรรมะเรียกว่าธรรมวิจัยยะนะพวกเราต้องวิจัยธรรมะนะวิธีวิจัยธรรมะเนี่ยธรรมะอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่กายกับใจนี้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 ความยึดถือกายยึดถือใจทิ้งมันจะไปเห็นความจริงอีกชนิดหนึ่งความจริงที่ไม่มีความปรุงแต่งมีแต่ความสงบมีแต่ความสันตินั่นเพวกเราศึกษาธรรมะไประว่าหนึ่งเราจะได้รับความสุขนะไม่ใช่ว่าต้องศึกษานานแค่พอสติเริ่มเกิดขึ้นมาสติตัวจริงเกิดเนี่ยเราก็จะเริ่มมีความสุขเป็นลดับลาดับไป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 มันไม่กระทบกระเทือนเข้ามาใจมันอยู่ต่างหากใจมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมามีความตั้งมั่นเรียกว่า ม, สมาีสัมมาสมาธิมันจะมีความสุขที่ประณีตขึ้นไปอีกแบบหนึง่งต่อไปพอเราภาวนามากเข้ามากเข้าตามรู้กายรู้ใจมากเข้ามากเข้ า, ม, า, ขามันเกิดความเข้าใจนะเกิดความรู้ความเข้าใจธรรมะเป็นลําดับลําดับไปนะเวลาที่จิตเกิดความเข้าใจธรรมะขึ้นแต่ละคราวแต่ละคราวนี่มันจะมีความสุข มีความสุขอยู่หลายวันมันคล้ายๆเข้าใจแล้วเข้าใจแลแต่ความเข้าใจก็จะลึกซึ้งเป็นลำดับไปนะอย่างเบื้องต้นก็เข้าใจว่าเออทุกอย่างมันชั่วคราว เ, เห็นแต่ทุกอย่างมันชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับบางทีก็เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนที่ครูบาอาจารย์สอนมันเข้าใจขึ้นมาเองจากการเจริญสติตรงที่มันเข้าใจขึ้นมาเองนะมันจะมีความสุขหลายวัน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 พีใหญ่เนี่ยก็ต้องไปดูนิยามพีใหญ่ของท่านพีใหญ่ของท่านคือพวกพลมนั่นเองไปอยู่พลมมมรรคจะเป็นพระนาคาเขาไปเป็นพลอมนะองไหนอินทรีแก่กล้าด้วยก็ไปเป็นพลมสุดถาวารอินทรีไม่แก่กล้าก็เป็นพลมทั่วทั่วไปพระนาคาไม่ใช่ว่าต้องเกิดในสุดธาวาดเสมอไปนะเกิดในพลมมลกตั้งแต่ชั้นปุโรหิตาขึ้นไปได้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 กายานุปัสสนาท่านสอนให้รู้กายเวทนานุปัสสนาเป็นส่วนของนามธรรมานะจิตตานุปัสสนาคือความเป็นกุศลและอกุศลทั้งหลายของจิตนะีก็เป็นนามธรรมาในธรรมานุปัสสนานะมีทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมาจะเห็นกระบวนการทํางานของของจิตอนยะ่างกระบวนการทํางานคืออริยสัจนะเห็นกระบวนการของโพชฌงเห็นกระบวนการของนิวรณนะ์ เนี่ยธรรมานุปัสสนาะนะเห็นการทํางานของรูปธรรมนามธรรมาเนี่ยต้องรู้อยู่ที่กายที่ใจที่รูปธรรมนามธรรมานะไม่ใช่รู้ที่อื่นนะรู้ลงไปให้เห็นไตรลักษณ์ตั้งเป้าการภาวนาตั้งเป้าให้ดีตั้งเป้าให้ถูกหลักอย่าตั้งเป้าว่าเราจะเอาความสุขอย่าตั้งเป้าว่าเราจะเอาความดีอย่าตั้งเป้านะแค่ความสงบ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 อันนั้นก็คือพบอีกชนิดหนึ่งซึ่งละเอียดประณีตขึ้นไปอีกดูยากที่สุดเลยภาวนาแล้วก็ไปยึดอยู่ในความว่างไปเพ่งอยู่ที่ความว่างอันนั้นเป็นเส้นทางเดินของอรูปปลมอรูปปลมไปเพ่งความว่างเรียกว่าอากาสานัญจญยตนะเพ่งจิตเพ่งจิตไว้เฉยเฉยเรียกบิณ ญ, ญานัญญยตนะเพ่งความไม่มีอะไรเลยเรียกอากินจัญญ ย, ยตนะ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 แต่เมื่อเราอดทนนะสภาวะใดๆเกิดขึ้นเราตามรู้ลงไปอีกมันเบื่อรั้วเบื่อนะมันกลัวรู้วกลัวมันรู้สึกหวงหวงหาที่พึ่งไม่ได้รู้ว่ามันโงงโงงไ ป, ไปรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกลางรู้ไปเรื่อยรู้กายรู้ใจนี่แหละรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่เป็นกลางเรื่อยๆไปพอรู้อย่างนี้มากเข้ามากเข้าเนี่ยต่อไปใจมันเป็นกลางขึ้นมาไม่จะเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวนะ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 จะได้จอดรถหรือเปล่าก็ไม่รูนะ้จะเอารถไปจอดที่ไหนก็ไม่รู้นะนี่เรื่องเครียดทั้งนั้นเลยนะชีวิตเต็มไปด้วยความเครียดชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์เราอยู่บ้านดีๆเนะ่ยเห็มบางทีก็ถูกเวรคืนเดี๋ยวก็โดนเรื่องนอนเดี๋ยวก็โดนเรื่องนี้เห็นไหมเดี๋ยวก็ลูกติดยาอะไรเงี้ยเดี๋ยวแฟนมีกิก๊กดูสิชีวิตเต็มไปด้วยปัญหาเงินเดือนเยอะไปเขาก็ให้ออกจากงานเห็นไหม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 เพราะอะไรที่นี่คนเยอะมากจิตใจเนี่ยจะตั้งมั่นในการฟังธรร ม, มประมาณสิบหนาทีเท่านั้นนะหลังจากนั้นจะเริ่มวอกแวกแล้วไม่เหมือนเทศที่วัดนะเทศครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งได้เทศที่นี่ควนจะวกแวกวกแวกใจใส่ไปใส่มามีสมาธิในการฟังประมาณสิบห้านาทีเรียกว่าสมาธิสั้นไหมสิบห้านาทีสมาธิไม่สั้น สมาธิแท้ๆเกิดทีละขณะจิตเดียวนี่ตั้งสิบห้านาทีไม่น้อยนะหัดรู้สึกตัวสิบห้านาทีสิน่าทึ่งเลยหัดรู้สึกตัวไปเรื่อยวันๆหนึ่งเอาเวลาไปล้างผลาญซะเยอะแล้วลองใช้เวลาวันละสิบห้นาทีนะมาค่อยรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยดูเล่นๆดูสบายๆไปเรื่อยต้องทําเล่นๆนะอย่าทำเคร่งเครียด ฝึกเล่นๆรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปเรืยเราจะเห็นเลยใจนี่ลอยแวบๆทั้งวันเดี๋ยวหนีไปโน่นเดี๋ยวหนีไปนี่สายไปสายมานะให้เรารู้ทันนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจิตเรายินดีให้รู้ทันจิตเร า, รายินร้ายให้รู้ทันคอรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วจิตก็ยินดีขึ้นมาบ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วจิตยินร้ายบ้างเนี่ยกระทบไปแล้วจิตแกว่งไปแกว่งมาค่อยรู้ไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเห็นเลยทุกอย่างไม่เที่ยง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 แล้วแต่ถนัดรู้กายก็ได้รู้จิตก็ได้แต่อาจจะเอาพุทโธหรือเอาลมหายใจเอาท้องพองยุบอะไรเงี้ยรู้เป็นแบ็คกราวไปเอาคุณใช้ขอาคุณซึมไปซึมไปนะคุณไปเดินจงกรมไปอะไรเงี้ยกระดูกกระดิ่งไว้ไปทํากรรมฐานที่เคลื่อนไหวไว้นะจิตมนติดสมถะอแล้วขออีกทำทามนะปลุกใจคึกคักนี่ทํายังไงนะครับอะไรนะไม่ได้ยินปลุกใจคึกคักนะครับแล้วหาภาษาใหม่ๆมายั่วใจบ้างนะ อย่างคนภาวนานะบางคนมีอยู่คนหนึ่งรู้จักมาหลายปีผู้หญิงนะแกรวยด้วยแกไม่ได้เด็ดแล้วเรื่องทํามหากินเผาหนาทั้งวันเลยแล้วใจก็นิ่งๆสืบๆอย่างนั้นแหะหลวงพ่ออา ย, ยุบอกให้ไปภาวนาอยู่ตามป่าตามเขาเนี่ไปภาวนาแล้วกลับมานะมาบอกหลวงพ่อเลยว่าเข้าใจแล้วที่หลวงพ่อบอกแต่ก่อนนี้เพ่งเอาไว้จิตนิ่งๆพอไปอยู่ในป่าในเขานี่ไหมมันกลัวนี่ตรงนี้เพราะว่าผีดุตรงนี้ไอ้นี่ดุไอ้น่นดุเห็นไหม ใจนี้ใส่ไปใส่มาใจหาที่พึ่งไม่ได้พอจิตใจหาที่พึ่งไม่ได้ต้องเอาธรรมมาเป็นที่พึ่งคอยดูของตัวเองไว้ก่อนที่จะสติแตกวิ่งลงจากเขามานะเนี่ยคอยฝึกดูอย่างนี้แล้วปรากฏแล้ดูเป็นเลยแล้วมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมครับขอบคุณนะไปเคลื่อนไหวไว้แล้วหาผัด ส, สะอะไรที่มันสดสดร้อนๆอนแปลกแปลกใหม่ๆมากระทบบ้างแล้วจะได้ดูใจที่มันกระเทือนขึ้นมาขอย่าให้มันนิ่งนิ่งเกินไปก็ขอบพระคุณครับ กรับกาบนะมรสการหลวงพ่อนะครับคือตัวกับผมนี่ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณเกือบปีครับแล้วก็พร้อมกับปฏิบัติไปด้วยละแต่ว่าผลการปฏิบัติก็คือสามารถรู้จิตได้บ้างแต่การนี้รู้ไม่ได้เลยอย่างนี้นี่ ป, ปฏิบัติผิดหรือเปล่าครับือมันรู้เองเหรอจิตเ mm hmm. นะ่ยหือจงใจรู้ล่ะถ้ามันรู้เองก็ใช้ได้นะเห็นก mm ิเลสไหมวันหนึ่งวันหนึ่งก็เห็ น, เ ห, นเห็นบ้างครับเหรอจริง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 เห็นสาวคนนี้แล้วก็ยกมังเอกให้จิตเกิดยินร้ายมีโทสะขึ้นมาให้รู้ทันนะ่ะเนี่ย ก, กระทบอารมณ์ไปแล้วก็ค่อยรู้สึกไปอ่าแล้วจริตอย่างกับผมนี่เหมาะจะใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมหรือเปล่าครับไม่หมาะหรอกถ้านะหายใจเดี๋ยวซึมนะรกระดุกดิกไว้เคลื่อนไหวไว้เดินจงกรมอะไรเงี้ยหรือทําอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้กระดุ ก, กดิกไปกระดุกกดิกอย่างท่าน14จังหวะไม่เป็นเราปัญญัติกระบวนท่าของเราเองก็ได้ออื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 เรียกว่าอนุสติทั้งหลายเนะี่ยคิดเร่องนี้ไปเรื่อยๆคิดถึงชีวิตคิดถึงความตายคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างนี่ล้วนแต่ไม่เที่ยงอะไรเงี้ยคิดถึงอย่างนี้ก็ได้จิตมันก็จะสงบลงมาไม่ต้องถึงขนาดเข้าฌาญก็ได้ถ้าเข้าฌาญควรจะต้องอยู่กับครูบาอาจารย์เดี๋ยวเพีย้ยนแล้อีกคําถามนึงก็คื อ, อาการปฏิบัติในรูปแบบก็จําเป็นใช่ไหมจำเป็นครับจำเป็นมากนะจำเป็นต้องเคลื่อนไหว ไปเดินจงกรมถ้าไม่เดินเดินเมื่อยเราก็นั่งขยับตัวขยับไม้ขยับมือหลวงพ่อนะกระดุกกระดิกตลอดขอโทษนะกระดิกเท้าด้วยนะกระดิกบางทีนั่งมือต้องนิ่งๆใช่ไหมเนี่ยข้างใต้โต๊ะนี้แอบกระดิกอนะกระดิกจนชินเลย น, น, ไไนแต่ไหนแต่ไรเคลื่อนไหวมันตลอดเลยการที่ทํากรรมฐานที่เคลื่อนไหวจะทําให้จิตไม่ลงไปแช่แต่ถ้าเคลื่อนไหวบางคนก็ต้องดูนะ เคื่อนไหวซ้ำซากจิตก็ลงไปแช่เหมือนกันบางคนไปแตะเี้ยแต่แล้วหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะนะอยู่อย่างเงี้ยเป็นวันๆใช้ไม่ได้เลยนะต้องรู้สึกตัวนะอย่าทำใจให้ซึมซึมไม่ดีซึมเป็นชื่อของซ่วมนะต้องรู้สึกตัวให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปนะ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 มันเป็นตัวอ็อบเจกตีไม่ใช่ตัวซนะับเจ c t i v e ถูกรู้ไปหมดเลยเพราะงะั้นเราค่อยๆฝึกไปนะเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไปนะเห็นจิตใจมันทำงานไปค่อยรู้มันไปเรื่อยนะใจก็จะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมานะถ้าใจตั้งมั่นก็ต้องคอยดูอีกนะอย่าไปประคองรักษาจิตที่ตั้งมั่นหลายคนพอภาวนาแล้วมีตัวผู้รู้ขึ้นมาก็ไปประคองรักษาตัวผู้รู้เอาไว้นะประคองกลัวจะเป็นผู้หลงหรือบางทีมันจะไหล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 แล้วมันเลยประคองแล้วก็เลยดันขึ้นมาหลวงพ่อทํากิริยาทางกายให้ดูนะของคุณประคองอย่างี้นึกออกไหมเออมันแกล้งทําขึ้นมานะมันแกล้งทําใช่ไหมมันแกล้งทําเพราะว่ากลัวจะหลงเหรอคะเออหลงไปบ้างไปให้ก็ตอนตอนฟังหลวงพ่อเทศนะคะก็จะเห็นว่าตัวเองหลงคิดอยู่บ่อยๆอะค่ะนั่นแหละแล้วไม่ชอบมันไม่ชอบพอไม่ชอบมันก็จะไปประคองเอาประคองแล้วเป็นอย่างเนี้นะ<อ>ปล่อยมนะันนับปล่อยไปเลยใจถึงถึง เรียนกรรมฐานอย่า ก, กลัวกิเลสแต่ว่าไม่คล้อยตามกิเลสนะถือศีล5้าไว้ก่อนถือศีลห้าไปกิเลสมันเข้ามาที่ใจเราเนี่ยเราจะไม่ทํากรรมชั่วทางกายทางวาจาแต่ทางใจเราจะปล่อยให้มันทํางานเราจะตามดูมันไปแต่ตัวเองก็ไม่ทราบเขาว่าตัวเองกําลังประคองอยู่อเออไม่ทราบไม่เป็นไรหลวงพ่อบอกให้ทราบแล้ว<า>ไปหัดสังเกตเอาได้นะก็ดูไปเรื่อยใช่ไหมคะดูเล่นเล่นดูเล่นเ่น หลวงพ่อขาขยับมือแบบหลวงพ่อเทียนนี่ที่หนูทําอยู่ถูกไหมอะคะเอาขยับให้หลวงพ่อดูวันหลังต้องเปิดคอสปฏิบัติบ้างเอาใครอยากปฏิบัติยังไงก็เชิญทำเอาเองรู้สึกไหมไปเริ่มบีบใจให้นิ่งแล้วนั่นแหะไม่เอาอย่างไง้แหละทาผิดเหมือนอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อมั้งคะมันก็เลยเบีบต้องปล่อยนะ่าจะขยับอย่างหลวงพ่อเทียนก็ขยับไปนึกกระบวนท่าท่านไม่ออกไล่ ย, ยุงก็ได้อ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 รู้สึกไหมมันบอกไหมว่าเป็นตัวเรานะมันไม่พูดเลยนะว่ามันเป็นตัวเราเราคิดเอาเองว่ามือเราเห็นไมเนี่ยเพราะจริงๆนะมันไม่ใช่ตัวเราสัมผัสลงไปหรือเห็นมันเคลื่อนไหวเนี่ยรู้สึกตัวที่เคลื่อนไหวอยู่มันไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าเมื่อไหร่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดมันจะรู้สึกว่ามีตัวเราตัวเราไม่ได้เกิดตลอดเวลาตัวเราเกิดจากการหลงคิดนะถ้าเรามีสติอยู่ไม่มีตัวเราเนี่ยใจลอยไปแวบหนึ่งแล้วทราบไหม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 รู้สภาว่าทำตามที่หลวงพ่อแนะนํา ไ, ไม่ได้อย่างเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ถ้าเมื่อไหร่เราฟังให้รู้เรื่องนะรเราก็จะรู้เรื่องที่ฟังเวลาเรารู้เรื่องที่ฟังความจริงเรารู้เพคิดยอมสังเกตออกไหมเราฟังไปคิดไปเมื่อไร่เราไปฟังเอาคิดเอานะเรียกว่าเราไม่ได้รู้สึกตัวขนาดนั้นเรียกว่าเรียนปริยัตไม่ได้ปฏิบัติแต่ถ้าหากจะฟังในเชิงปฏิบัติอย่างเวลาเราเข้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์วัดป่าอย่างนี้ท่านให้เรานั่งสมาธิไป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 การที่เรายกข้อธรรมขึ้นพิจารณาเช่นเราพิจารณาร่างกายเป็นปฏิคูณสุภาณอะไรเนี่ยจิตจะสงบลงมาสงบจากราคะได้สมถะยมรูร้จักหลวงพ่อพุธไหมหลวงพ่อพุธเมื่อก่อนก็มาเทศที่นี่หลวงพ่อก็เรียนมาจากหลวงพ่อพุธเหมือนกันท่านบอกว่าสมถะเนี่ยเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดถ้ายัางคิดอยู่ยังไม่ใช่วิปัสสนา ข้อที่สองเมื่อเมื่อเมื่อนั่งสมาธิไปสักประมาณยี่สิบนาทีเนี่ยเกิดอาการหาวทั้งที่ไม่ง่วงหลอกบางทีเดินจงกรมก็หาวเนี่ย อ, อันนี้จะแก้ยังไงก็ดูมันไปนะดูเห็นร่างกายมันหาวเราเป็นคนดูยนะมพัฒนาจากการทําสมถะนะก้าวไปสู่วิปัสสนานะอย่างพอเราทําไปสมถะไปแล้วเกิดอาการทางร่างกายเช่นมันหาวขึ้นมานะเราเห็นร่างกายเมันหาวใจของเราเป็นคนดูฝึกจนกระทั่งเรามีตัวผู้รู้ขึ้นมา อย่างหรือเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้านะเห็นร่างกายมันหายใจใจของเราเป็นคนดูค่อยๆฝึกจนเราเกิดตัวผู้รู้ขึ้นมาพอนะเรามีตัวผู้รู้แล้วเราจะเห็นเลยร่างกายที่หาร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเลยฝนะึกอย่างนี้นะโยมกรบขอบคุณหลวงพ่อคือรู้สึกช่วงนี้ปฏิบัติแล้วมันจะติดดึงนะเจ้าค่ะ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 มรสการหลวงพ่อครับ อ, อผมเคยภาวนาดีครับแล้วก็บทว่ามันเสื่อมครับแล้วหลังจากนั้นมันก็หนักๆแข็งๆนะครับอ่แล้วผมก็ไปบ้านอาลีแล้วไปแล้วคุณจูนก็แนะนําว่าให้ไปดูความไม่เป็นกลางครับเราเราไปปฏิบัตินะครับแล้วผมก็ไปไปดูเราไปดูว่าตอนอเราสวดมวนต์อยู่เนี่ ย, ยนี่ไม่ใช่เราหนิมันสว่างว่างเลยครับเออนั่นแหละดูอย่างนี้ไปสวดบ่อยๆนะแต่แต่ตอนนี้ก็ยังติดๆอยู่นะครับติด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 พออยู่ได้ช่วงขนาดเราก็เริ่มจำได้แล้วเฮ้ยสวดมนต์แล้วดีว่ะเอาใหม่เอาเราห้องสมมอสมุทรสงคราวนี้ไม่เกิดละเพราะอะไรเพราะโลภะมันเกิดขึ้นแทนสติมันอยากให้รู้ทันนะต้องเล่นทีเผลออยากจะขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับเนี่ยอุตส่าห์น่ตั้งยาวแล้วนะแค่นี้ก็ทำกันเป็นปีแล้วขอบคุณครับเอาไปดูเอานะดูเอา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 บางคนภาวนานะเคยอ่านนิทานอีศพบไหมคนรุ่นนี้มีไหมเรื่องต้นอ้อ ก, กับต้นใสอ่ะต้นไม้เล็กๆนะถูกพายุพัดนะไม่ล้มต้นไม้ใหญ่ๆถูกพายุพัดแล้วล้มเพราะจิตมันไปต้านลมนะจิตมันต้านกิเลสนะเหมือนต้นไม้ใหญ่ต้านลมนั้นถ้ากิเลสเกิดขึ้นนะเราดูมันเป็นใจเย็นๆดูซิเธอจะอยู่นานแค่ไหนอย่าไปเกลียดมันนะถ้าเกลียดเมื่อไหร่ต้านเมื่อนั้นนะ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 ถ้าเรารู้ว่าอกุศลเกิดขึ้นขณะนั้นมีสติขณะใดมีสติขณะนั้นเป็นกุศลได้บุญด้วยซ้ำไปไม่มีนักครูบาอาจารย์อะไรสอนให้ตามใจกิเลสไม่มีรอกกาบนมัสการ<พ>หลวงพ่อคะ่ะคืออยากจะทราบว่าที่ปฏิบัติมาทั้งหมดนี้เป็นยังไงนะคะหลวงพ่อเ <รอ S 2> ว่าไม่ค่อยจะรู้ตัวเองไรมีโคดบอกหลวงพ่อนะบอกว่าถ้าโยมมาถามแบบนี้ให้โยมพูดสักประโยคหนึ่งก่อน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 แรงไปนิดเดีย ว, ลวคลายคลายออกรู้สึกไหมตอนนี้แข็งเกินไปก็ก็เป็นบ้างกันเล้วป ล, นะปล่อยๆนะปล่อยซะให้มันสบายรู้ไปสบายสบายคล้ายๆว่าอะไรจะเกิดก็เกิดไปแล้วเราดูไปเรื่อยๆอย่างไง้นใช่ไหมคะหลวงพอใช่เราเป็นแค่คนดูอะไรจะเกิดนะถ้ามันมีเหตุมันก็เกิดถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดแต่ถ้ามันมีเหตุนะแล้วเราไม่อยากให้เกิดมันก็จะเกิด<ะ>เราห้ามมันไม่ได้หรอกสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุ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 มันเหมือนคนตกน้ํานะพอหล่นน้ําตุ้มไปแทนที่เพื่อนจะช่วยเพื่อนก็บอกทําไมแกไม่ไหว้น้ําวะก็<อ>มันไหว่ไม่เป็นนะ่ะะงั้นก่อนจะตกน้ําก็ต้องหันไหว้น้ำให้เป็นเสีก่อนนะก่อนจะป่วยหนักก่อนที่จ ะ, ะเผชิญปัญหาชีวิตที่รุนแรง<ๆ>เช่นพลัดพรากจากสิ่งที่รักอย่างรุนแรงอะไรเงีนะ้ยต้องฝึกจิตของเราไว้ก่อน้ น, ะ จ, นจิตเราไนะ้ลภาวนาเป็นเข้มแข็งแล้วเวลาเจอปัญหาใดๆขึ้นมามันถึงจะสู้ไหว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 หรือไม่ไม่รู้จะทําอะไรก็ฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยๆ <c oughs> หลายคนเอาซีดีหลวงพ่อเป็นวิหารธรรมนะไหนแดดมันลงตรงไหนด้วยครับครับทีมงานนี้ก็ช่วยหลวงพ่อเยอะนะไม่มีเงินเดือนให้สักหน่อย <c oughs> ไม่ค่อยมีคําชมจะให้ด้วยส่วนมากดูด่าว่ากล่าวนะแต่อดทนมากนะช่วยงานมาหลายปีแล้ว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 หรือางทีก็หยิบหนังสือมาดูอ่ะครับมันเขียนว่าดูจิตแล้วก็ถามว่าวันนี้เราดูจิตเลยยังมันจะมีวิธียังไงครับอย่าอย่าไปคิดมากนะการปฏิบัติจริงๆง่ายกว่านั้นเยอะเลยเคยถูกด่าไห ม, มเคยถูกด่าแล้วรู้สึกเป็นไงสดชื่นไหมสชื่นครรู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยนะง่ายกว่านั้นง่ายกว่าที่คิดไป ม, มีคนชมไหมว่าหล่ออะไรเงี<ม>้ยเออพอมีคนชมน่ใจเราก็พองเห็นไหม ใจเราพองเราก็รู้ว่าใจเราพองคนเขาว่านะใจเราเดือดปุดปุดเราก็รู้ว่าเดือดปุดปุดคนนี้ทำให้เราผิดหวังเราเสียใจรู้ว่าเสียใจเราได้อันนี้มาแบบไม่นึกไม่ฝันมาดีใจรู้ว่าดีใจฝึกอย่างนี้นะฝึกง่ายๆอย่าไปคิดมากคิดเดยอะไปเราขอถามอีกคาถามนึงคคือถ้าเกิดมาคิดข้างในได้ใ ช, ใช้ได้ไหมครับอะไรนะหลวงพ่อมถ้าเกิดไม่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 แล้วก็ม้วนเข้าไปข้างในไปเจอหลวงปู่สิมนะบอกออกมานอ ก, น, อกน่องี่เอ๊ะเอายัางไงครูบาอาจารย์องค์หนึ่งบอกว่าอย่าออกนอกนะองค์หนึ่งบอกให้ออกมานอกนองไปเจอหลวงปู่เทศนะท่านบอกไม่ส่งนอกไม่ส่งในเป็นกลางกลางพอได้ยินว่าเป็นกลางๆประคองไว้ตรงกลางอีกนะหางานทําจนได้นะส่งนอกก็ผิดนะทรงในก็ผิดประคองไว้ตรงกลางก็ผิดส่งนอก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 นะถ้ายังถามหาคําถามคําตอบอยู่ให้รู้เลยจิตฟุ้งซ่านไปแนละ้วเชิญต่อไปครับหลวงพ่อครับครั้งแรกหลวงพ่อ น, ะ น, นาว่าผมติดประคองนะครั้งที่สองเน่ยบอกว่าจิตฟุ้งผมบึนศรีรษะนะครับแล้วก็หลังจากที่นั่นก็อาการก็ดีขึ้นแล้วก็มีเกิดปีติครั้งหนึ่งนานประมาณครึ่งวันนะครับครั้งนี้อยากถาม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 แต่มันจะไปมองสภาวะการเกิดและตั้งอยู่แต่ทุกขงังแคไปมองการดับส่วนเอกสารหนึ่งคือจิตนี่จะแยกออกมาเลยจะมองจะมองเห็นสภาวะนี่เกิดทํางานของเขาไปโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวส่วนถ้าจิตเนี่ยมีปัญญาเต็มสมบูรณ์จะอาศัยอาศัยการเกิดของสัจธรรที่ตัวนี้ครับแต่ว่าจะตัดตรงนั้นขาดทันทีเลยบอกว่าเนี่ยไม่มีความวาเป็นตัวตนในขณะที่มันตัดเนี่ยครับมันไปตัดความตัวตนก็คือตัดความปรุงแต่ง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 รู้สึกกายรู้สึกใ จ, กใจมันล้าไปครับ<ะ>ยังดีนะคนนี้ล้าไปแล้วยอมรับนะบางคนไม่ยอมนะนึกว่าเป็นพระอริยไนะไวล้ะพระอริยะบางคนนะแข็งเชีฉันเป็นพระอริยะแล้ว โ, โ, โลกว่างเปล่ากลับนั่นสักการหลวงพ่อนะคะไม่ทราบว่าปฏิบัติตอนนี้ถูกหรือเปล่าอะคะ <c oughs> เหมือนติดสมาธิอะพูดอะไรสัหน่อยสิก็พยายาม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 แต่ไม่ได้จงใจทํามันนอันนี้นะแค่รู้ไปเรื่อยๆแล้วควรทํากรรมฐานอะไรคะหลวงพ่ออะไรนะรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวไหมค่ะคนที่สมาธิมากๆนะให้ดูกายที่เคลื่อนไหวไหมคือให้ไปดูจิตเดี๋ยวไปเพ่งจิตเถค่ะขอพระคุณค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะคราวที่แล้วได้ได้โอกาสมากราบส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะแล้วหลวงพ่อบอกว่าดูถูกแล้วแต่ยังจงใจอยู่ พอกลับไปก็พยายามไม่จงใจก็หลงหลงนานนะคะแต่หลงแล้วก็จะรู้รู้แบบเบาๆไม่ไม่แน่นๆเหมือนเมื่อก่อนแต่รู้สึกว่าหลงหลงไปแล้วรู้ได้น้อยลงเลยจะมาตรถ้าเราเพ่งไว้น้ำมันจะรู้ทั้งวันค่ะแต่นั้นใช้อะไรไม่ได้แต่พอเราปล่อยน้ำมันจะหลงไปที่แรกสติเราเกิดน้อยมันก็หลงนานต่อไปสติมันชํานาญขึ้นนะมันเกิดได้ทีขึ้นมันจะหลงสั้นลง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 ใจของคุณตอนนี้มันใกล้จะฟุง้งละให้รู้ไปเลยด้วยเจ้าค่ะกลาบขอบพระคุณเจ้าค่กะกลนะับนมาศการหลวงพ่อค่ะคือหนูมาเป็นครั้งแรกอะคะ่ะก็เวลาหนูโกรธนะคะหนูจะดูเวลาโกรธแล้วมันจะรู้สึกเค็นหรือแน่นรู้สึกอะไรนะเค็นหรือแน่นที่หน้าอกอะคะ่ะหนู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 อย่างเช่นเวลาเราเผลอคิดเนี่ยหนูหนูจะชอบใช้วิธีการเหมือนกับว่า อ, อสักพักหนึ่งก็จะเอาจิตมาแตะที่ตรงนี้ของตัวเองะค่ะแล้วก็แล้วก็ปล่อยมันคือแตะแป๊บเดียวแล้วก็ปล่อยไปอะไรเงี้ยแล้วสักพักพหนึ่งก็แต<ป>ะเราทําเพื่ออะไรเหมือนกับจะเตือนตัวเองไม่ให้เผลอมากไปให้รู้ทันว่าขณะนั้นจิตฟุ้งซ่านเรียบร้อยแล้วนะหา ง, งานทำํำละตรงที่เราเผลอไปเรารู้ว่าเผลอขณะนั้นรู้เรียบร้อยแล้วนะ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 ที่เทศสั้นลงประเทศไปเยอะแล้วไปฟังซีดีก็ได้นะแต่การตรวจการบ้านอนะไม่ค่อยมีใครเขาตรวจให้หรอกนะบางคนอยากจะฟังเยอะๆไม่อยากตรวจกันบ้านไม่อยากฟังส่งกันบ้านนะเป็นสิ่งซึ่งหาฟังได้ยากนะกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะเคยฝึกปฏิบัติแบบยุบหน่อพองหนอมานะคะพองยุบสิพองยุบค่ะ เ, เขาเรียกพองยุบค่ ะ, คะแล้วก็อ่าแล้วก็ตอนหลังก็ไปฝึกแบบดูลมหายใจ ก็จะทําทั้งสองอย่างอะตอนนี้ทีนี้ก็ฝึกสติไปด้วยอยากอยากเรียนทํามหลวงพ่อว่าการปฏิบัติเห็พ่งไปหรือเปล่าคะเห็นเห็นไหมว่าเราเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนิ่งๆทื่อๆเห็นไหมตอนนี้จิตเริ่มเคลื่อนไหวได้แล้วดีขึ้นสิค่ะแต่ก่อนเราไปดูท้องพองยุบเราก็ไปดูแบบสมถะจิตเราลงไปแนบอยู่ที่ท้องถ้าจิตลงไปแนบกับตัวอารมณ์นะเป็นสมถะทั้งหมดเลยจำไว้นะทุกคนนะ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 จเจริญขึ้นมารู้สึก อ, อีกนิดนึงความโลภเกิดแล้วให้รู้วโลภพอมันเสื่อมไปเสียใจให้รู้วเสียใจนี่ให้รู้ทันตัวเองไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายสภาว่าจิตตอนนี้เป็นยังไงคะเพ่งไหมคะเพ่งไ้นิดหน่อยนิดนึงะเพราะว่าตื่นเต้นค่ะแต่ที่ฝึกอยู่พอใช้ได้แล้วอย่าไปเพ่งนะอย่าไปเพ่งหลวงพ่อเสียดายพวกเราฝึกกรรมฐานกันมากมายแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นมานะเป็นการฝึกเพ่ง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 มีแต่รูปธรรมนำมาทำทั้งหมดทั้งสิ้นเลยวันใดที่เห็นว่าตัวเราไม่มีจิตยอมรับอย่างแท้จริงนะวันนั้นแหละเป็นพระโสดาบันนะโสดาบันไม่ใช่นั่งภาวนาแล้ววูบองเี้บอกเป็นพระโสดาบันนะวูบทางนี้อีกทีหนึงนะได้ส ก, กิทาคาแล้วนะนี่หลวงพ่อเพิ่งเจอคนหนึ่งนะเมื่อเดือนกุมภาได้โสดานะมีนาได้ส ก, กิทาคาเมษาได้อนาคานี่พืชสภาคงเป็นพระลราหันไปแล้วนะ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 เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นการละนานเทินยะถาวาริวหาปูราปาริปูเรนตีสาขรังเอวเมวายโตทินังเปตานางอุปกปฏิอิธิตังปิติตังทุมหังหิ ป, ปเมวาสมิจตุสัเพปูเรนตูสังกปาจันโดพนรโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีโยวิวัตชันตตสัพโรโ ค, รโครวินาสตู มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายยโกพวะอาภิวาธนาศีลิสนิจังอุทธาปจายิโนจตตาโรธรมาวันติอายุวันโนสุขังพระลังภาวนานะจนธรรมะมาอยู่ในใจเราธรรมะจะคุ้มครองเรานะ